หายหิวที่จะอยากดูหาหิวที่จะอยากฟังหาหิวที่จะอยากรู้กลียนหาหิวที่จะอยากรู้รสหาหิวที่จะอยากรับกระทบโภตพภะหาหิวที่จะเลิกคิดเรื่องราวทั่วๆไปเพราะอะไรเพราะว่าท่านถือว่าประสาทสัมผัสทุกชนิดเป็นเหมือนกับอะไรเป็นเหมือนกับแม่โคหนังปอกนะนั้นท่านจึงรังเกียจที่จะรับกระทบสัมผัสในทวารทั้งหกทั่วไปเพราะท่านมองว่านั่นแม่โคหนังปอก หรือนั่นคือการติดเชือ้อนั่นคืออะไรนะตาหูจมูกลิ้นกายใจทางธรรมะถือว่าเป็นแผลชนิดหนึ่งชอบไหมที่จะไปเปิดแผลในที่ทั่วๆไปแต่นะผู้ที่แทงตลอดพระนิพพานแล้วเนี่ยท่านบอกว่าความรู้สึกในการเห็นการได้ยินเหมือนกับการเปิดแผลเนี่ยนะเหมือนกับการเปิดแผลพร้อมที่สารพัดเชื้อจะเข้าไปเนี่ยนะเพราะอันนี้ถ้าเห็นนะนะแถ้าเห็นแล้วจะมีความรู้สึกว่าอย่างนั้น แต่ถ้าหากว่ายังไม่เห็นไหนอยากเที่ยวเปิดแผลจังเลยเนี่ยนักอยากเปิดรับเชื้อสารพัดอย่างเข้ามาเพระนิพนนพานนั้นจึงเป็นที่ดับแห่งความกระหายจริงๆเนี่ยนะนั้นใครที่กระหายรับอารมณ์ในทวารหกเพราะเพราะคนนั้นยังไม่เห็นพระ น, นิพพานเนี่ยนะเพรายังไม่เห็นพระนิพพานเป็นที่ดับความกระหายนั่นแหละก็ะเลยเที่ยวไปเรื่อยนเนี่ยถูกความกระหายมันพาไป อาลยะสมุขคาโตเป็นที่ถอนความอาลัยคือตัณหาอย่างไม่มีเหลืออ่นะอาลัยเนี่ยนะเช่นอาลัยในสิ่งใดเนี่ยนะใจก็เกาะเกี่ยวในสิ่งนั้นใช่ไหมคิดสักพักหนึ่งก็คิดถึงอันนั้นอีกแล้สักพักหนึ่งก็คิดถึงอันนั้นละอารมณ์นั้นแหละเรียกว่าเป็นอารมณ์เป็นที่อาลัยอาลัยเนี่ยนะบางทีก็เป็นชื่อของตามคุณห้าเริ่บสวยๆเสียงเพราะๆกลรีนหอมๆรสอร่อยออร่อยโพธิภาพาที่ดีที่น่าปรารถนาเรียกว่าอาลัย ทีนี้อาไล่เนี่ยทำไมจึงเรียกว่าสิ่งนั้นเป็นอาไัยเพราะตันหาไปอาลัยอาวอนในสิ่งนั้นเหลือเกินดัง น, นถ้าแทงตลอดพระนิพพานนีน้ก็จะละอาไัยเบื้องหลังอันเหตุใกล้ของตัวกรรมคห้าคืออะไรมหาพูทใช่ไหมถ้าเห็นมอาอะไรนะปัทวีธาตุนิโรธอาโปธาตุนิโรธเตโชธาตุนิโรธวายโยธาตุนิโรธจะเลิกหิวในมหาพูททันที ถ้ารู้จักธรรมะที่ดับมหาพูดจะเลิอกอาไลาอาวรนในมหาพูดสักทีหนึ่งอะนะระน้ํามันพายเนี่ยจะไม่อร่อยแล้วต่อไปถ้าหากว่าได้กินยาหายอะไรนะกินยาดีๆเนี่ยนะจะเลิกติดข้องในมหาพูดไม่ถูกน้ํามันพายผีหลอกแล้วต่อไปนะแต่ว่าเนื่องจากไม่เห็นพระนิพพานเนี่ยเลยถูกผีหลอกประจําเลยแต่ก็ชอบให้หลอกด้วยนะผีไม่หลอกก็เดือดร้อนอีกผีหลอกก็เดือดร้อนผีไม่หลอกก็เดือดร้อนเนี่ยนะ มหาพูดนะมหาพูดเนีมันท่านิพานนั้นจึงเป็นที่เพลิดเพนแห่งอะไรดังนั้นพระนิพานเนี่ยใครที่จะรู้แจ้งแทงตลอดพระนิพานได้เนื่องจากอะไรตัวในครั้งหนึ่งนะเรียนโพธิปัจขยธรรมมาดีแล้วก็บอกเจริญโพธิปัจขยธรรมทั้งหมดอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราค้อาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละเนี่ยนะฮะเจริญโพธิปักขยธรรมจนบริบูรณ์แล้วเนี่ยจะประสบพบกับ ทำเป็นที่เพิกถอนแห่งอะไรคือพระนิพพานเนี่ยนะวัดอ่าวัด ต, ตูปเฉโทเนี่ยนะวัด ต, ตะอุปเฉธอุปเฉทาแปลว่าเข้าไปตัดขาดอ่า น, นะอุปเฉโทเนี่ยนะวัตตูปเฉโทก็คือเป็นที่ตัดวัดตะคือการอะไรนะระบบวัด ต, ตะเนี่ยนะมันประกอบไปด้วยอะไรกรรมนี้ทําให้มีวิบาภ์พอเกิดวิบากก็ทําให้เกิดกิเลสกิเลสก็ทําให้ทา กรรมกรรมก็ทําให้รับวิบากก็วนอย่างนี้ใช่ไหมอย่างเช่นจกักผูกับรูปเกิดจกักผูวิญญาณทำสามอย่างประชุมกันเป็นภาษ า, าภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาอันนี้เป็นวิบากนีนะตาก็ตานี้ก็เป็นผลของกรรมใช่ไหมสีโดยมากเราจะชอบดูสีที่มาจากผลของกรรมจกักผูวิญญาณภาษาเวทนาก็เป็นผลของกรรมเวทนาทุกอย่าง<ม>เป็นปจัจจัยแก่ตัณหาตัณหาเป็นกิเลสตัณหาพอพอชอบสิ่งใด จากสําคัญหมายว่าสิ่งนั้นเป็นเราเป็นของเราอันนั้นเป็นอุปาทานทีนี้ถ้าเป็นของเราสัอย่างเนี่ยเราจะต้องไปทํำยังไงบ้างอะไรก็ตามถ้าเป็นของเราแล้วนะเราก็บอกว่าคิดถึงแค่นิดเดียวก็พอแล้วใช่ไหมไม่ใช่ถ้ารถเสียถ้าเป็นรถของเรานะบอกเออนั้นรถเสียเออก็เสียอี่ก็พอแล้วแค่นี้ไหมไม่ถ้าของเรานะเอาเอะไรก็ได้ที่มันเป็นของเรานะเราจะไปวุ่นวายหมดเลยขอให้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นของเราเถอะ จะเข้าไปจัดการเรียบร้อยหมดถึงจะเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องไปตรวจอีกเพราะมันเป็นของเราเพราะฉะนั้นนั้นแหละเรียกว่าอุปาทานประยุทธ์ถืออย่างนี้เข้าแล้วก็ทํากรรมนะทั้งกายกรรมมจีกรรมและมะโนกรรมเพื่อให้มีอะไรให้มีตาเมื่อมีตาก็ตากับสีเกิดจากขูวิญญาณภาษาเวทนาตัณหาก็ชอบต่อแล้วก็ทํากรรมเพื่อให้มีตาอีกก็วนอยู่อย่างนี้พระนิพพานเนี่ยถ้าแทงตลอดพระนิพพานเนี่ย ตันหาก็จะสำรอกออกไปถ้าไม่มีตันหาก็ไม่สำคัญว่าเป็นของเราถ้าไม่สำคัญของเราก็จะกรรมก็จะถึงมีอยู่ก็จะไม่ให้ผลก็จะดับตาได้อย่างนี้เหมัอนพระนิพพานนั้นถ้าผู้ใดแทงตลอดก็ตัดต้นตอแห่งวัฏตาเนี่ยนะเหมือนกับว่าถอดลิ่มสลักแห่งวัฏตะออกได้ถ้าถอดสลักแห่งวัฏตะออกได้ในทวารนั้งอกก็ดับทุกได้มันพระนิพพานเนี่ยวัตตูปเฉโทเป็นที่ตัด ขาดจากความวนเวียนในขณะเดียวกันนะใครที่ที่จะดับวัตถุทุกได้จริงๆนะที่จะบรรลุพระนิพพานเนี่ยถ้ายังบอกตาก็ดีใช้ได้สีก็สวยจักขู่วิญญาณก็ไม่เลวนะเวทนาก็สุขสบายไปหมดเลยจักบรรลุพระนิพพานเป็นไปได้ไหมไม่ได้เขามีแต่จักขู่เป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนจักขู่วิญญาณเป็นของร้อนจักขู่สัมผัสเป็นของร้อนแม้เวทนาทั้งสามก็เป็นของร้นอน ร้อนด้วยไฟคือราคะโทสะโมหะร้อนด้วยไฟเพราะชาติชรามรณาโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปาญาอริยะสาวกเมื่อได้ฟังนี้ก็เบื่อหน่ายในจักขู่เบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายในจักขู่วิญญาณเบื่อหน่ายในจักขู่สัมผัสเบื่อหน่ายแม้ในสุขเวทนาทุกขเวทนาหรือทุก ข, ขมสุขเวทนาที่มีจักขู่สัมผสัมผ ส, ผสเป็นตัจจัยเมื่อเบื่อหน่ายก็วิราคะอ น, นั่นแหละคือดับตัณหาถ้าดับตัณหาอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับพบปรดับถ้าพบดับ ตาก็ดับนะนะถ้าไม่มีตาสักอย่างเดียวจะมันไม่เห็นรูปอะไรอีกนะใครจะงามก็งามไปถ้าฉันไม่มีตาสักอย่างเดียวฉันก็ไม่ร้อนอีกแล้วนะนะสมมติว่าเอาคนงามที่สุดในโลกไปให้คนตาบอดดูเนี่ยนะมีประโยชน์อะไรเอาคนเสียงดุยที่สุดไปให้คนหูหนวกฟัง้มีประโยชน์นะเอากลิ่นน้ําหอมชั้นดีไปให้คนไม่มีจมูกลมนะมัดลิ้นให้หมดแล้วเอาอาหารชั้นดีเลิศไปให้อย่างเงี้ย น, นะมีประโยชน์ไหม ไม่มีประโยชน์เอาเสื้อผ้าอย่างดีมาให้คนตายใช้ไม่มีประโยชน์นะสะรุปว่าในโลกนี้ถ้าดับตาหูจมูกลิ้นกายใจได้จริงก็ดับทุกได้แต่ว่าแหมตานี่มันอาวุนเยอะเกินนะสังเกตดูถ้ามีอะไรปั๊บเนี่รีบปัดเลยนะโอ้โหเป็นหวงแหนจริงๆนะทนุถนอมมา ก, ก น, นะแต่สมมติถ้ามีอะไรคว้างเข้ามาน่าจะรีบหลบรีบกำ บ, บังเพราะอะไรเพราะความหวงแหนทนุถนอมแต่ของพระพุทธเจ้าถ้ามีใครเอาลูกศรมายิงเนะี่ยพระองค์ก็จะไม่หลบ นะเคยอ่านพบใช่ไหมคํานี้เจอไหมเจอเนี่ยนะเนะพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้มีอะไรในอุปาทานขันห้าแม้แต่นิดเดียวอะไรด้วยตัณหามาณทิฏฐิไม่มีแม้แต่นิดเดียวพระองค์เป็นคนไม่มีอย่างจริงๆแล้วไปสีลังตาเขาบอกว่าเอาดอกม้เนี่ยเขาจะเอาแต่ดอกนะอย่างอย่างดอกบัวนี่เขาจะเอาก้านทิ้งไปหมดเลยจะเหลือแต่ดอกบัวเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรในวตัตตาแล้วเป็นดอกไม้ที่ออกมาแบ่งบานถ้าดอกไม้บานบา น, บานด้วยวิมุติ คืออรหัตผลใช่ไหมว่าดอกไม้ที่บานนี่ก็เอาเยื่อใยออกไปทั้งหมดละมันดอกไม้นี่ก็จะเฉาหายไปในที่สุดเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นแต่ถ้าเป็นดอกไม้พวกที่ยังมียางเหนียวเดี๋ยวก็มีเม็ดใช่ไหมเรียกว่าเม็ดบัวเม็ดบัวไปเพาะลงเอกลงงอกแล้ก็ต่อพันวัตตาก็ยาวแต่พระพุทธเจ้าไม่เป็นเช่นนั้นเนี่ยนะก็สี่ลังกาก็มีอะไรคิดดีเหมือนกันเดี๋ยวยอมขวัญเราจะไปดูว่าเขาทําอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะต่อไป สุญญโตสุญญโต ว, ว่างไอ้คำว่าว่างเนี่ยนะพระนิพพานเนี่ยว่างจากสังขารทุกชนิดตัวพระนิพพานเนี่ยว่างจากจักขุนิพพานไม่มีจักขุไม่มีโสตะคานะชิวหากายใจนิพพานนี้ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสโพตพระและก็ธรรมารมณ์ทั่วไปไม่มีสรุปว่านิพพานไม่มีขันห้าไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญาณ นิพพานเนี่ยไม่มีสังขารธรรมอยู่เลยเขาเรียกว่าศุญญ์โตว่างอ น, นะอนนะแล้วก็ผู้ใดที่บรรลุพระนิพพานก็ว่างจากการเวียนไปในวัฏฏะอีกต่อไปเพราะฉะนั้นพระนิพพานนั้นจึงเป็นธรรมชาติที่ว่างว่างจากสังขารรูปนามขันธ์ห้าทุกชนิดเนี่ยนะก็มีเขาเอ๊ะอย่างที่ใครนะแจ่มมาถามว่าเอานิพพานมันจะดีกว่าสวรรค์ได้ยังไงเขาถามมานะ ถามคุณแม่เขไม่ทราบคุณแม่ตอบไปยังไงก็บอกว่านิพานนี่มันดีกว่าสวรรค์ได้ยังไงสวรรค์นนะถ้าจะว่าโดยรูปรูปก็สวยสวยใช่ไหมหน้าพอใจสวยที่สุดเลยเสียงก็เพราะเกล่นก็มีแต่หอ ม, ห อ, มอาหารก็อร่อยอร่อยโทตภาพก็ดีไม่รู้จักปวดไม่รู้จักเมื่อยพนิพานดีกว่ายังไงนะก็ถามถามมันดีนิพานดีกว่ายังไง ดีกว่าสวรรค์ยังไงเพราะสวรรค์นนะอะไรก็ดีไปหมดอยากได้อะไรก็ได้อย่างต้องการอย่างเช่นปาณิ ม, มิตแต่ว่สวรรค์ดีแค่คิดเนี่ยนะคนจะรีบเอามาให้หมดเลยคนจะเนรมิตให้เราใช้สอยนึกยังไงก็ได้สมความปรารถนาหมดอายุก็ยืนยืนเหมือนไม่ตายยังไงเนี่ยนะสวรรค์นเนี่ยนะน้าปรารถนาหน้าพอใจใช่ไหม เพราะจริงๆนะอย่างที่เขาว่านะอย่าว่าสวรรค์หรืห้างสรรพสินค้าเนี่ยไม่ได้ทักครึ่งหนึ่งของสวรรค์เลนะขนาดนั้นก็ไปอ๋อกันเต้เป็หมดเลยนะที่ฟังทำบอกว่าดีนักดีหนาก็มีอยู่ร้องแหลงรองแหลงแล้วมีไม่กี่คนเองนะถ้าเที่ยบกับห้างสรรพสินค้าแล้วไม่ได้เศษเสี้ยวเลยงนั้นก็เพราะว่าเขาบอกว่าสิ่งเหล่านั้นน่ายินดีเพก็จริงนะว่ามันน่ายินดีจริงก็ไม่ได้ว่าอะไรว่าไม่ได้ปฏิเสธว่าสวรรค์ไม่น่ายินดีน่ายินดีมากๆ แต่ท่านเคยเห็นเดรชานทั้งหลายไหมเคยเห็นเดรชานที่ถูกฆ่าไหมเมื่อวานนี้เห็นหมูก็เอาไปเชือดไหมเห็นบอกมันเคยไปสวรรค์ไหมเคยนะพวกไก่ทั้งหลายที่เอาไปต้มเนี่ยมันเคยไปสวรรค์มาไหมอดีตชาติเคยพวกที่ตกนรกเคยไปสวรรค์ไหมเคยเห็นไหมพวกคนพิการทั้งหลายเนี่ยนะขอทานเนี่ยขอทานที่อินเดียตอนที่เราไปเนี่ยพวกนั้นเคยไปสวรรค์กันไหม เคยไปสวรรค์มันดียังไงเขาไปไปสวรรค์แล้วก็กลับมาเป็นอย่างนั้นอีกเนี่ยนะมันดีกว่ายังไงแบบเคยเห็นคนป่วยไหมเคยแล้วคนป่วยเนี้ยอดีตชาติก็เคยไปสวรรค์ไหมตายไปแต่แล้วก็กลับมาป่วยอีกตามเดิมเคยเห็นนักโทษประหารไหมเคยไปสวรรค์แล้ว ก, กลับมาถูกตัดคออีกตามเดิมมันดียังไงสวรรค์เนี่ยนะมันก็น่ายินดีก็เจงแต่มันไม่ได้ดีจริงนี่แล้วถามว่า ผู้ที่ไปเจออารมณ์ที่น่าปรารถนาเป็นต้นทั้งหมดจะมีใจเป็นของตัวเองไหมมีใจสงบจากราคะบ้างไหมไม่ได้แล้วก็ในโลกของสวรรค์เนี่ยบางทีมันก็ยังมีริษยากันอยู่เหมือนกันนะเอ๋ <c oughs> คนนั้นมีบริวารมากกว่าเราเอ๋คนนั้นทําไมมาเดินปาดหน้าเราได้ยังไงเนี่ยนะบางทีเนี่ยพระอินทร์เนี่ย <c oughs> ก็เคยน้อยใจมากเอ้เราเนี่เป็นหัวหน้าเขาซะเปล่าพระสมีก็หม่ดี ลำแสงรัศมีตัวเองเนี่ยเวลาเห็นเทพบุตรเดินมาเนะี่เราต้หลบทางให้เขาหมดเลยลว่าเขามีบุญมากกว่าโอ้ยเทวดาน้อยอกน้อยใจที่ตัวเองเนี่ยมันรัศมีน้อยกว่าคนอื่น ส, สักผิวพันก็เศร้าหมองกว่าเขาอะไรกว่าเขาแม่มันลำบากใจมากมเลยบอกแม้แต่เท้าศักระเองก็ยังเป็นเนี่ยนะเป็นอะไรเป็นพวกที่ที่ยังเดือดร้อนอยู่เทวดาจริงๆเขาก็เดือดร้อนนะเดือดร้อนแบบเทวดา ทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยนะคาในคําของเทวดาทำรรของเทา้กกทาสกัดเท้าสกัดในชาดกชื่อว่าอะไรนะเนมิราชาดกเมมิราชาดกกล่าวว่าพวกเทวดาทั้งหลายเนี่ยนะใช้ชีวิตเหมือนกับเปรตเนี่ยนะคือเปรตเนี่ยต้องรอส่วนบุญจากคนอื่นใช่ไหมพวกเปรตนะจริงๆเนี่ยรอส่วนบุญจากที่อื่นมาใชไหม ตัวเองจึงจะได้สบายพวกเทวดาทั้งหลายมีชีวิตอยู่เยี่ยงเปรตทาไมจึงกล่าวอย่างนั้นเพราะมันคอยแสวงหาความสุขจากคนอื่นจากสิ่งอื่นๆสมมติถ้ามมถ้าสมมติเท ว, วดาชอบสีใช่ไหมถ้าสีนั้นไม่มาเท ว, วดาเดือดร้อนไหมก็เดือดร้อนเท ว, วดาต้องแสวงหาความสุขจากเสียงก็ต้องมีเจ้าของเสียงมาร้องให้ตัวเองฟังตัวเองจึงจะได้ฟังเสียงอันไพเราะดังั้นความสุขของเท ว, วดาทั้งหลายท่านบอกว่าเยี่ยงกับเปรต ไม่เหมือนกับผู้ที่เป็นพรหมพรหมนี่อิ่มอยู่ในตัว น, นะนะมีความสุขอยู่ในตัวโดยที่ไม่ต้องไปแสวงหาความสุขมาจากข้างนอกเทวดานี่มันต้องพึ่งบริวารพึ่งโน่นพึ่งนี่คนที่มีความสุขอยู่ในตัวเนี่ยนะกับคนที่ต้องให้คนอื่นมาคอยปรนนิบัติตัวอันไหนดีกว่ากัน น, นะมีความสุขอยู่ในตัวเองดีกว่า ผู้ที่บรรลุพระนิพพานเนี่ยนะก็สุขอย่างแท้จริงอยู่ในตัวอยู่แล้วซึ่งไม่ต้องคอยแสวงหาความสุขจากคนมาเอาใจไม่ต้องคอยหาความสุขจากคนมาเทคแคร์ดูแลเอาอกเอาใจเอาใจใส่ปล่อยให้ทิ้งอยู่คนเดียวนิดหน่อยเยนะซึมไปเลยไม่ใช่แบบนั้นผู้ที่มีความสุขอยู่กับตัวอยู่แล้วไปที่ไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ผาสุขพั้นผู้ที่แทงพระนิพานนพานบรรลุพระนิพพานนั้นจึงประสบสุขที่ สูงสุดประสบความสุขที่แท้จริง น, นะซึ่งไม่ต้องคอยหิวอีกต่อไปใครจะพูดด่าเราบ้างก็ไม่เป็นไรเรากไม่รู้สึกว่าเดือดร้อนอะไรเขาจะมาใครจะเอาอกเอาใจเราก็ไม่ได้นสนใจอะไรเกินไปเพราะเราได้ถึงความสุขอย่างอย่างแท้จริงแต่ถ้ายังว่าความสุขในพระนิพพานก็ปวนความสุขเช่นกับเปรดจริงๆเพราะมันต้องคอยให้คนมามาเอาอกเอาใจเดี๋ยวนะีก็ลองบริวารตายสักครึ่งหนึ่งจะเป็นยังไง นะก็ก็เสียใจแล้วใช่ไหมเพราะในสวรรค์นี้เก็บอกว่าอย่างสุพรองเทพบุตรเนี่ยนะมีบริวารอยู่พันหนึ่งกำลังชมดอกไม้เพลินเสบายนะบริวารตายแล้วตกนรกทันทีต่อหน้าต่ตาห้าร้อยถามว่าสบายไหมกันนี้ก็บอกว่าถ้าพูดแบบภาษาไทยนี่เงือแตกพลักเลยเหมือนเหงือท่วมเลยนะเพราะบริวารตกนรกแล้วรู้ด้วยนะตัวเองจะตกนรกตามด้วยกันนี้่สวรรค์จะเย็นไหมกันนี้ ไม่เย็นเลยอ่ะนะบอกในเกินในสวรรค์ดีไหมดีแต่ถ้ากำลังช่วโมงสุดท้ายของสวรรค์น่ะจะหวาดเสียวขนาดไหนเนี่ยนะก็ถ้ามีอะไรไหม